ขอ้อน้อ ม, อมต่อคุณพระตนไตรข้าการดลพระกรมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์นารงวิทย์เพื่อนสตรีทุกท่านจเจริญธรรมไม่ชีและญาติธรรมทุกท่านในสมัยพุทธกาลนะเราก็ทัดศึกษาพุทธประวัติเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยท่านมีพระกรุณาหมาดให้คุณมากนะคือมีเมตตามาก เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเผยแผ่ธรรมในยุคนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากมากนะเพราะว่ามีเจ้าลัทธิต่างๆอยู่มากมายซึ่งนะเจ้าลัทธิต่างๆก็มีลัทธิการเผยแผ่ธรรมอยู่แล้วนะคือมีคําสอนของลัทธิต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากนะแล้วก็มีอิทธิพลต่างๆมากมายนะนะ คือต้องไปต่อสู้กับมรัฐิเก่าซึ่งเขาเจริญอยู่แล้วและมีคนนับถือมากอยู่แล้วนะการเผยแผ่ธรรมในยุคนั้นนะก็ต้องเดินทางไปที่ต่งตางๆเผยแผ่ธรรมไปทั่วประเทศอินเดียนะหรือชมพูทวีปซึ่งใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่าประเทศอินเดียอย่าเนาะก็รวมเอานะปากีสถานนะเนปาลนะแล้วก็บนะริเวณรอบๆไปนะทั้งหมดก็เป็นนะ ชมพูทวีปทั้งหมดเนาะการเดินทางก็ต้องเดินทางด้วยเท้านะก็จะไม่ไม่ได้เดินทางด้วยเกวียนหรือนั่งม้าไปต่างๆแล้วเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยเท้าทั้งนั้นนะถ้า ด, ดูในพุทธวัตรให้ดนะีระยะทางก็ไกลมากแล้วก็เป็นป่าเป็นเขานะแล้วก็การบินนบากก็คงจะลําบากมากต่างๆไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ง่ายๆเหมือนทุกวันนี้เนาะ ในยุคแรกๆนี้แม้แต่มีพร ะ, ะไม่มากท่านก็ให้เดินทางไปแต่ละทิศเพียงองค์เดียวนะไ ป, ไปเพียงองค์เดียวไปในทิศทางต่างๆไม่ซ้ําที่กั น, นเพื่อที่จะเผยเผยแผ่ธรรมเนาะ <c oughs> แล้วก็แม้แต่พระเจ้าท่านก็เดินทางไปองค์เดียวน ะ, ะเดินทางไปองค์เดียวอยู่เป็นประจำน ะ, ะหรืออย่างบางทีก็เดินทางไปเป็นหมู่คณะใหญ่ๆก็มีเดิ น, นาทางหมู่คณะใหญ่ก็เช่นไปโปรด พญาตนะที่กรุงก บ, บิลภัทน ะ, ะพญาตก็อย่างเช่นพระเจ้าสุโทธทน ะ, ะหรือพนังพิมพาหรือพระญาต์ต่างๆมากมายนะก็มีพระติดตามไปเยอะนะหรือไปองค์เดียวนะไปองเดียวก็เช่นไปโปรดองค์ุริมานนะท่านก็ไปองค์เดียวนะเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ธรรมในยุคนั้นก็ ไม่ใช่ว่าอยู่กับวัดเฉยๆแล้วก็มีคนมาหาก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นการเดินทางไปด้วยเท้าระยะทางบันทีก็เป็นร้อยๆกิโลเพื่อที่ไปเผยแผ่ธรรมในสถานที่ต่างๆนั่นเองเป็นความเมตตาของพระเจ้าไปอย่างยิ่งนในยุคนั้นที่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่แบบสุขสบายแต่ว่าต้องทํางานเผยแผ่ธรรมด้วยความเหน็ดเหนื่อย อั้นี้ก็ในสมัยหนึ่งท่านก็เดินทางไปโปรดชาวอาราวีซึ่งระยะทางก็ไกลมากเนอะเราได้ทรงแสดงนะมรณาสติแก่ชาวอารวีฟังนะทรงแสดงว่าผู้ใดที่จะเดิน ม, มนรณาสติอยู่เป็นประจําจะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่กลัวความตายที่จะเข้ามาถึงนะให้จเจริญมรณาสติอยู่บ่อย ให้เจริญทุกลมหายใจก็ยิ่งดีนะในขณะที่ธงทรงแสดงธรรมในครั้งนั้นก็มีธิดาช่างหูกนะคนหนึ่งอายุ15ปีมาฟังทมในครั้งนั้นด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะโดยการพิจารณาความตายอยู่เป็นประจำะจนจิตมีความสงบไม่กลัวความตายนะหลังนั้นผ่านมาเป็นเวลา3ปี พระเจ้าก็ได้ทรงใช้ยพยานตรวจสอบผู้ทีเ่เข้ามาอยู่ในค่ายที่ว่าจะรับฟังธรรมแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ก็ปรากฏว่าอธิดาช่างหู ก, ก็เข้ามาอยู่ในพยา น, นเมื่อทราบเช่นนั้นพระเจ้าก็เลยทรงเดินทางไปที่เมืองอลวีน ะ, นะไปเพื่อที่จะโปรดธิดาช่างหูใโดยเฉพาะเลย คณะนี้เมื่อทรงเดินทางไปถึงแล้วนะก็มีชาวเมืองต่างๆก็มารอฟังธรรมจากผู้เจ้ากันเป็นจำนวนมากทิดาช่างหูก็เมื่อได้ทราบพระพุทธเจ้าเดินทางมาเช่นนั้นก็ดีใจนะดีใจมากแล้วก็อยากจะไปฟังธรรมทันทีแต่ว่าในวันนั้นปรากฏว่าบิดาของธิดาช่างหูกั้นก็สั่งว่าให้ธิดาช่างหูกเนี่ยก่อได้ให้เสร็จในวันนี้ และให้นำไปที่โรงทอผ้าเพราะต้องใช้ในวันนี้นะซึ่งทิดาช่างหูก็จายอมต้องทำตามนะพิกรรมสั่งของบิดาทาั้งทั้งในตัวเองก็อยากไปฟังทำเป็นอย่างยิ่งนะก็เลยรีบรีบกรอผ้าเพื่อให้เสร็จนะพระเจ้าในขณะนั้นนะก็มีชาวเมืองมารอฟังธรรมกันเยอะมากแต่พระเจ้าก็ได้ทรงตรวจสอบดนะูก็เห็นว่าธิดาช่างหูกยังไม่มา ก็เลยรอไว้ก่อนยังไม่แสดงธรรมนะก็ทรงนิ่งไม่ได้พูดอะไรนะชาเมืองก็สงสัยทำไมไม่แสดงธรรมแต่ก็นั่งรอด้วยความสงบนะไม่ได้พูดจาอะไรกันนะต่อมาเมื่อธิดาช่างหู ก, กรอได้เสร็จแล้วนะก็รีบเดินทางมาฟังธรรมจากผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยชะเง้อมองไปไกลๆ ก, นะก็ได้เห็นธิดาช่างหูเดินทางมา ทิดาช่างหูกเห็นพระเจ้ามองมาเชนั้นก็เข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะมองหาตัวเองก็เลยรีบเดินทางไปเข้าไปป่าฝูงชนก็ไปใกล้ๆพระเจ้าเมื่อเดินเมื่อเข้ามาใกล้พระเจ้าเป็นพระเจ้าก็ถามว่าเธอมาจากไหนธิดาช่างหูก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าข้าเธอจะไปไหนไม่ทราบพระเจ้าข้า เธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าข้านะจากคำถามและคำตอบเช่นนี้ชาวเมืองก็งงนะแล้วก็นึกํำหนิในใจที่ได้ช่างขูว่าตอบเล่นลิ้นนะทำไมไปตอบเช่นนั้นถามว่ามาจากไหนก็ควรจะตอบว่ามาจากบ้านนะจะไปไหนก็บอกว่าจะไปลงทอผ้าแค่นี้ก็จบเรื่องนะ ทำไมถึงต้องตอบเล่นลินเช่นนั้นนะก็นึกตําหนิอยู่ในใจมีความไม่พอใจพราพุทธเจ้าได้ทรงทราบจิตใจของชาวเมืองเช่นนั้นก็เลยบอกให้ธิดาช่างหูกตอบใหม่แล้วก็อธิบายว่าตอบเช่นนั้นหมายความว่าอะไรธิดาช่างหู ก, ก็อธิบายว่าที่ถามว่ามาจากไหน ที่ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าที่เป็นชนั้นก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ไม่ทราบว่าเคยเกิดกําเนิดใดมาก่อนนะก็คือไม่ไม่รู้ว่าก่อนที่มาเกิดนี่แหละเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนนะเพราะว่าภพภูมิมีตั้งเยอะมีทั้งเป็นสัตว์เดชานเปิอสุรกายสันนรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยมีต้องหลายภพภูมิไม่ไม่รู้ว่าก่อนที่มาเกิดเนี่ย เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นคำตอบที่ที่ดีนะที่น่าสนใจน ะ, ะเราพิจนารณาดูให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่มีใครรู้ว่าเราก่อนจะมาเกิดในชาตินี่เราเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนอันนี้ก็คือความจริงเนาะอันนี้บางบางท่านก็บอกว่ า, วาเอ อ, อดูอย่างนี้นะอาจจะดูนิสัยของเราในชาตินี้ก็แล้วกัน เช่นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะเคยมาจากนราากน ะ, ะหรือเราขี้โลภเนี่ยเราจะเคยเป็นเปรตมาก่อ น, นหรือเราอาจจะเป็นคนขี้หลงเราอาจจะเคยเกิดเป็นสัตว์เดชานมาก่อนเนาะถ้าเราเป็นคนใจดีมีเมตตาต่างๆอาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือเกิดเป็นเทวดามาก่อนน ะ, ะเราเป็นคนใจเย็ น, นปฏิบัติสมาธิได้ผลดี เราก็เคยจะเกิดเป็นพรหมมาก่อน น, นี่ก็เป็นการประมาณคร่าวๆนะอ่าก็คือจิตใจเราในชาตินี้ก็เราอาจจะเคยสั่งสมมาก่อนในชาติไหนๆก็ไม่รู้น ะ, ะเราอ่าสนใจมาประพฤติปฏิบัติธรร ม, มาเป็นนักบวชมาฟังธรรมต่างๆหรือมารักษาศีแลแต่เราเนี่ยแสดงว่าเราก็คงมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนใช่ไหดูคนที่เขาไม่สนใจก็มีต้องเยอะแยะใช่ไ นี่ก็อาจจะเป็นบารมีเก่าของเราที่เราเคยทำมานะแล้วก็จะประมาณได้ เ, ออเราอาจจะเคยเออฝึกฝนเช่นนี้มาก่อนแล้วนะเคยรักษาศีลมาก่อนแล้ว เ, ออเคยไปบัติรรมมาก่อนแล้ว เ, ออเคยเป็นนักบวชมาก่อนแล้วนะออสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ว่า เ, ออเราสามารถที่จะประเมินได้ด้วยตัวเราเองนะแต่ถ้าเรามา เ, ออเข้ามาในวัดเราก็ยังมีความประพฤติที่ไม่ดีออไหลไปตามกิเลสต่างๆนะ ปล่อยให้กิเลส ช, ชักนำไปได้ง่ายๆก็แสดงว่าบางทีเราก็เคยเกิดในทางไม่ดีมาก่อนแล้วแม้จะเข้ามาในในสถานที่ที่ดีแต่ใจเราก็ไม่น้อมนำเข้ามาใจเราก็ยังไหลไปสู่กิเลสที่ไม่ดีนะตรงนี้มันก็ต้องเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องอกลับมาย้อนเข้ามาถามตัวเราเองว่าเออเรามาอย่างไหนเนาะ เรามายางไหนมาก่อนก็จะมาเกิดเรามาอย่างไห น, นเกิดมาเมื่อก่อนเคยเกิดปอะไรมาก่อนนะต้องถามตัวเองให้ได้น ะ, ะเราเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเรามาอย่างไหน น, นะแต่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะปัจจุบันนี้เรามาตรงนี้แล้วเราก็ต้องทําสิ่งที่ดีต่อไปนะอันนี้ก็คือความจริงในปัจจุบันนี้นะแล้วก็คําถามที่2อี่บอกว่าเธอจะไปไหน ทิดาช่างหูกแต่ว่าไม่ทราบเจ้าค่าอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อตายจากชาตินี้ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรนะก็คือไม่รู้จะไปไหนนั่นเองนะตรงนี้ก็คือความจริงนะว่าเราตายอย่ากชาตินี้แล้วเราก็ไม่รู้ไปไหนนะไม่รู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรนะเพราะนั้นอย่างที่คนโบราณบอกว่าเออถ้าคนที่โกรธนะคนที่โกรธบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสไปลงนรกได้ หรือคนที่โลภบ่อยๆก็มีโอกาสไปเกิดเป็นเปรตหรือคนที่หลงบ่อยๆก็ไปเกิดเป็นสัตว์ได้ชานคนที่ทําบุญกุศลจิตใจดีก็เกิดเป็นมนุษย์ที่ดีหรือเกิดเป็นเทวดาคนที่ได้ชานเจริญชานก็ไปเกิดเป็นพรหมอันนี้เขาเรียกว่าจิตมีก่อนตายเนั่นเรามีสภาวะใดเกิดขึ้นใช่ไหมจิตเราถ้าเราตายด้วยความโกรธนี่เราก็ไปลงนรกได้น ะ, ะสมัยก่อน ตอนที่อาตมายังเป็นฆราวาสอยู่ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีนะเป็นคนที่นิสัยดีด้วยชอบฆราวัดทำบุญให้ทานมากมายแต่ว่าวันหนึ่งก็ปรากฏว่าคือที่บ้านเขาก็ทำหลายอย่างนะแล้วก็มีขายพกปลาเค็มด้วยแล้วก็หลัวก็ทิ้งไว้เกินกาดน้องชายกลับมาก็ มาว่าพี่ชายเนี่ยทำไมทิ้งหลัวไว้เกะ ก, กะมากมายน่าจะเก็บให้เป็นระเบียบพี่ชายก็พูดอธิบายไปน้องชายก็โตเถียงเถียงไปเถียงมาน้องชายเป็นนักเลงนะัพกปืนด้วยก็เอาปืนยิงพี่ชายตายพี่ชายตายด้วยโทส ะ, ะคือความโกรธนี่ก็ตอนนั้นก็มานึกดูว่าไปเกิดไปอะไร น, น่าจะไปเกิดในทางไม่ดีนะแล้วแม่เขาก็เป็นห่วงแม่เขาก็ศึกษาธรรมะก็ ไปถามพระต่างๆถามไหลแห่งบอกว่าเนี่ยไปเกิดในนรกทั้งท่านนี้พระก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรมาก่อนนะแต่ว่าตอบมาเหมือนกันก็ไปลงนรกแล้วแม่ก็เลยไปทําบุญให้มากมายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างนึงเออมันพอถ้าตายด้วยจิตมีโทสะเนี่ยก็มีโอกาสไปเกิดในนรกได้นะเพราะฉนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาใจให้ดีนะคือเราไม่รู้จะตายตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมหรือว่า าตายเพราะเหตุใดอาจจะโดนใครฆ่าตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโกรธใครนะแม้ว่าใครจะมาฆ่าเราตายาเราอย่าไปโกรธเปน็นอันขาดนะอถ้าเราโกรธนี่เราขัดทุนร้อยเท่าเราตายครั้งเดียวมันมันตายครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ไปโกรธนี่มันขัดทุนร้อยเท่าว่าเราต้องไปลงนรกอีกใช่ไหมอันนี้เราขัดทุนเลยเนาะต้องรักษาใจก็คื อ, อใครมาฆ่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็อาภัยทานให้กับเขา เราควรจะวางใจไว้ก่อนนะว่าเออนี่แหละเราอาจจะเคยไปฆ่าเขาไปก่อนก็ได้เขาก็เดินมาฆ่าเรานะหรือเขามาทำร้ายเราถ้าเราเคยไปทำร้ายเขาไปก่อนนะเหมือนกับที่หลวงมาโตที่อาจารย์สุรินทร์เคยเล่านะอ่าที่มีพระองค์หนึ่งไปตีหัวไพ่องค์นึงพระนโดนตีหัวก็มาฟ้องหลวงมาโตบอกว่าเนี่ยอ่าโดนตีหัวเขามาทําร้ายท่านหลวงมาโตบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกท่านไปทำร้ายเขาก่อน ไปทําำลายก่อนพระนี่ก็งงไปทําำลายได้ก็ยังไม่ไปทําอะไรก็เลยนะตอนหลังก็เลยไปฟ้องพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็เลยเรียกพระทั้งสองรูปแล้วก็สมเด็จโตไปชําระความถามลงสมเด็จโตทําไมถึงตัดสินเช่นนั้นสมเด็จโตบอกว่าเนี่ยที่เขาชาตินี้ก็โดนตีหัวเพราะเมื่อชาติก่อนไปตีหัวเข้ามาก่อนแล้วก็เลยบอกว่าเออเพราะฉนั้นก็เลยก็เท่ากับ ว, ว่าต่างคนต่างก็ได้ลงโทษ กันเองไปแล้วนะก็เหมือนกับว่าหายกันไปแล้วก็พอนั้นก็อย่าผูกเวงกันต่อไปก็ให้จบนะทางตอนก็เลยยอมรับก็เลยจบไปเนาะอันนี้เพราะนั้นเราจรึงว่าบางทีเราโดนทําร้ายตายหรือโดนฆ่าตายก็อย่าไปโทษใครเขาอันนี้เราต้องจังใจไว้ก่อนนะถ้าไปตั้งใจตอนขณะตายมันใจมันไม่รับหรอกมันไม่ยอมรับว่าเออเขามาทำร้ายเราก่อนนะเราก็มาฝึกในตรงนี้พิจารณา อ่าเสียงต่างากรรมนะเป็นสิ่งที่ว่าเราหลีกไี่ไม่พ้นใช่ไหมเราไม่รู้เคยทําใครมาก่อนเพราะนั้นบางทีเราก็อาจจะเดินโดนใครเขาทํากับเราก็ไม่เป็นไรให้อภัยเขาใจเราก็ไม่โกรธนะอ่าพอใจแล้วไม่โกรธล้วก็สบายนะเราก็สบายตายแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นลงนรกอ่าพอใจเราให้เมตให้เมตตาเขาให้อภัยทานก็ไปแล้วนะตรงนี้ใจเราสบายใจเราเกิดการปล่อยวางล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้น นะเหรือจะหมดกิเลสไปเลยก็ไปสู่นิพพานเลยน ะ, ะคือให้ปล่อยวางทุกอย่างนะไม่ยึดอะไรในใจแล้วนะเพราะใจที่ยึดอะไรก็เป็นพราเป็นชาติทั้งนั้นน ะ, อ, ะอย่างที่ว่ายึดความโกรธ ก, ก็ไปลงนรกยึดความโลภก็ไปเป็นเปรตนะตรงนี้เพราะใจมันไม่ปล่อยไม่วางมันไปยึดในภพภูมิต่างๆอยู่แล้วมันก็มีภพภูมิรองรับอยู่ทุกๆกทุกทุกสภาวธรรมมีภพภูมิรองรับอยู่ทั้งหมดนะเพราะนั้นเมื่อใจอ ปล่อยวางไม่ยึดในทุกสภาวธรรมมันก็ไม่มีภพภูมิรองรับเราก็ไปนิพพานก็คือไม่ตะอบกปเคียร์ว่ายตายเกิดในภพภูมิไหนต่อไปแนะม้แต่ความดีนะความดีก็ไม่ไปยึดนะเราไปยึดความดีก็ต้องไปสวยภพภูมิแห่งความดีอีกไปเกิดเป็นมนุษยนะ์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเพื่อที่จะเสวยความดีเหล่านั้นไปไปรับกรรมที่ดีที่เราทําไว้มันก็ไปเป็นภพเป็ น, ปนภูมิอีกนะมันก็ไม่ ไม่จบการเวียนใบาตายเกิดนะแม้แต่เป็นเทนวดาเป็นพรมก็ไม่จบหรอกที่มาเพราะนั้นก็ต้องปล่อยทั้งหมดนะทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดก็ต้องปล่อยวางให้หมดนะอย่าไปยึดเอาไว้แม้แต่อย่างเดียวตรงนี้ยจิตเราก็จะเข้าถึงมนิพานได้เนะต่อมาที่พระพุทธเจ้าถามว่ า, า, วาเธอไม่ทราบหรือทิดาช่างหูกตอบว่าทราบพระเจ้าข้าหมายความว่าทราบว่ า, า, วาต้องตายแ น, น่นอนนะ มันต้องตายแน่นอนเมื่อเกิดมาแล้วไม่มีใครหนีความตายไปได้หรอกต้องต้องตายแน่นอนนันี้เพราะว่าที่ได้ช่างหูนี้เจริญมนัคสติอยู่ในมจําอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าต้องตายแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องตายตอนไหนเท่านั้นเองนะแต่ว่ารู้ต้องตายแน่นอนนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าพวกเรานะเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจริญมนัคสติอยู่ในมจำนะเพราะเรามาเจริญสติในการรู้กายรู้ใจแต่ในการที่เรา าสามารถที่จะเข้าใจในมรรสตินี่แหละตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราสามารถนําไปใช้ได้ทุกที่นะเพราะเราก็ไม่รู้จะตายที่ไหนเหมือนกันเพราะเมื่อมีความตายเกิดขึ้นก็คือเราก็ไม่ประมาทในตรงนั้นนะว่าเราจะต้องไม่ตายนะแต่เมื่อตายเมื่อไหร่เราก็ยอมรับเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราสวดนะที่บอกว่าปัจจิมวาวะบอกว่าดูความภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด นั่นี้ก็เป็นคําสอนขององทายของพระเจ้าหลังๆนั้นเขไม่ได้สอนอะไรต่อก็คือให้เราไม่ประมาทนะมากมายก็คือทุกอย่างนั่นแหละอย่าไปคิดว่ามันมาไม่ถึงนะเช่นความตายอย่าไปคิดว่ามันจะมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ประมาทแล้วนะเราก็คือเรายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะความตายเราก็ยอมรับแล้วเราก็ไม่ประมาทในการที่เรียกว่าเราจะต้องทําความดีให้พร้อมใช่ไหมเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาให้พร้อมนั่นแหละ เราเมื่อกี้ก็สวดบทนะพิณาสังขารน ะ, ะก็คื อ, อเราตายไปแล้วเนี่ยก็จะโดนนําไปทิ้งไว้ในป่าในป่าช้าคนเดียวนะตรงนี้มันไม่มีใครเป็นเพื่อนเรานะเราต้องทิ้งในป่าป่าช้านะความตายเป็นสิ่งแน่นอนนะความที่ไม่ตายมันเป็นสิ่ง ท, ที่การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่ ไม่แน่ไม่นอนแต่ความตายมปนสิ่งที่แน่นอนเพราะนั้นเราต้องตายแน่นอนนะอันนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้จิตเราก็จะเริ่มยอมรับความจริงนะเวลาเราป่วยไข้ได้เจ็บเราก็จะยอมรับความจริงเออป่วยไข้นะมันก็คือเราก็ต้องไปสู่ความตายอยู่แล้วแล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันบางคนพอรู้ว่าเป็นโรคไร้ายแรงเป็นมะเร็งจิตจะมีความทุกข์ทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่อยากตายนะจิตไม่ยอมรับนะเมื่อไม่อยากตายก็มีความทุกข์มีการดิ้นรนในใจ จิตก็จะมีความทุกข์มากกว่าคนปกติที่ยอมรับความตายนะพอเมื่อเรายอมรับความตายไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นโรครายแรงเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นกรรมที่เราต้องรับในตรงนั้นเราก็จะไม่กลัวความตายเนาะเนี่ยต่อมาที่คาถามสุดท้ายที่บอกว่าเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่าอ่า ที่ตายชฉลิ ก, ก็บอกว่าหมายความว่าเราข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะตายวันใดเวลาใดตายที่ไหนเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงน ะ, ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องตายเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนตายที่ไหนตายอย่างไรนะตรงนี้ไม่มีใครรู้นะเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราไม่รู้นะ เราจึงไม่ประมาทใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเออเราตอนนี้ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะนั้นเราจะายยืยืนเนาะตรงนี้มันไม่แน่ไม่นอนใช่อหมคนที่เกิดก่อนเราตายก่อนเราก็มีต้องเยอะแยะนะมันจึงเรียกว่าเราประมาทไม่ได้นะออาจจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ทราบนะอย่างที่อ่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ไม่รู้ว่าชาติหน้าหรือวันพรุ่งนี้อันไหนจะมาถึงก่อนกัน ถ้าชาติหน้าเหมือนห น, นึ่งตอนเนี่โอ้เราแย่เลยน ะ, ะตรงนี้จึงว่าเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็ต้องบำเพ็ญสิ่งที่เป็นความดีทั้งหลายแหละไว้น ะ, ะมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเ น, นี่แหละอันนี้เขาชื่อว่าเราไม่ประมาทแต่ถ้าเราไม่บำเพ็ญในสิ่งเหล่านี้เราก็ชื่อว่าเราผัดทุนเกิดมาเมนุษย์ก็เสียชาติเกิดน ะ, ะเพราะว่าอะไรเพราะการเกิดมนุษย์นี่มันเป็นสิ่งที่ยากอย่างที่ได้บอกมาแล้วมันยากมากนะเพราะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วแล้ว เ, เราได้มาสู่ สารที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการเจริญสติให้รู้เท่าทันกิเลสตัณหาในใจของเราเราก็ควรที่จ ะ, ะชวยโอกาสนี้บำเพ็ญให้จิตของเราเนี่ยเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลสในใจของเราเมื่อรู้เท่าทันกิเลสในใจของเราแล้วใจก็จะเกิดการเข้าใจในความที่เรียกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจพระไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังนิตาจิตก็จะเกิดการปล่อยการวางกายมยึดติ กิเลสตั้งหานในใจเราก็จะลดลงแล้วก็หมดไปในที่สุด น, ะนี้ก็คือเราจะถึงมิพคานเป็นอย่างแน่นอนนะถ้าใจเราเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราประมาทนะเราได้เกิดมนุษย์แล้วอยู่ในวัดสถานที่ประบัติแล้วเราไม่เจริญให้จิตเกิดความรู้ในตรงนั้นนะเราก็มีความประมาทอย่างยิ่งนะเหมือนกับเราใกล้เกลือไปกินด่างหรือทัาพีมรู้รสแกงนะตรงนี้ก็เป็นความขัดทุนหรือความประมาทของเรานั่นเองเนาะ ตรงเนี้ยพอหลังจากที่พระเจ้าได้ฟังคําตอบของทิดาช่างหูก็ทรงสาธุทุกๆคําตอบนะชาวเมืองก็เกิดความเข้าใจในธรรมะตรงนี้ไปด้วยนะและหลังจากที่วันนั้นฟังธรรมไปแล้วธิดาช่างหูก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็เดินทางเอ า, เอ า, เ, อาเอาได้เนี่ยไปที่ลงทอผ้า ปรากฏ ว, ว่าเกิดบัติเหตุนะก็คือกระสวยนะ่ะพุ่งมาอย่างแรงมาโดนที่หน้าอกของทิดาช่างหูกเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็กถึงแก่ความตายไปในวันนั้นนะแต่จิตใจของทิดาช่างหูกตอนนั้นนะ่ะเป็นผู้ที่เจริญสติเป็นผู้ที่เจริญมโนสติอยู่แล้วก็ไม่กลัวความตายนะและได้เป็นโสดาบันด้วยอันนี้ต้องไปในภพภูมิที่ดีแน่นอนนะไม่ได้ไปภพภูมิที่ต่ําเพราะว่าความเป็นพระโสดาบันนี้นะเขาเรียกว่า เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาไม่เกิน7ชาตินะแต่ถ้าอจิตที่ถึงระดับหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเอกกับพิชีนี่ก็จะเกิดอีกแค่าชาติเดียวนะเป็นมนุษย์ชาติเดียวหรือว่าเป็นเทวดาชาติเดียวก็บัลลุเป็นพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นพูดได้เป็นพระโสดาบันเขาเรียกว่าปิดประตูเอาใภูมิแล้วคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในก็คือปิดเอาใบพรมก็หมายความไม่ต้องไปเกิดเป็น สัตวนรกแต่สุรกายสัตว์เดชานก็คือไม่ต้องไปลงในทุกติภูมินั่นเองเก็เรียกว่าปิดประตูใบายภูมินะแต่ก็จะวนอยู่ในมนุษย์หรือเทวดาหรือเป็นพรหมเท่านั้นเองนะไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปลงนรกต่างๆที่มีความทุกข์กต่อไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราผู้ใดที่ต้องการปิดประตูใบภูมินะผู้นั้นก็ต้องตีตัว๋วตีตั๋วก็คือต้องอมีพาสปอร์ตนะพาสปอร์ตก็คือเราไปทำพาสปอร์ตได้ไหมนะ เราจะได้ไม่ต้องเดินทางไปในอาบอูอบมพูลนะแต่ละใครไม่มีพาสปอร์ตนะเราก็ไม่แน่เราต้องไปลงอาเบภูมิูนะเพราะใจเรายังไม่ถึงมาโซดาบันนะเพราะนั้นใจของเรานี้นะเราจะต้องรู้รู้เท่าทันกิเลยในใจของเร า, าเพราะว่าอะไรเพราะว่ า, าพระโซดาบันนี้นะตามตำรารรมว่าจะต้องละสักกายทิฐิ วิจีกิิชารกษีและปะัตปรามาตนะซึ่งก็เป็นสังโยชนิสามตัวแรกนั่นเองนะสกักยติตรีก็คื อ, อาสามารถที่จะปล่อยความยึดติดว่าร่างกายจิตใจของเรานะก็คือรู้เท่าทันว่ากายและใจนี้ไม่ใช่ตัวเมตตนไม่ใช่ศาสตรบุคคลตัวตนเราเขานะอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะที่เราจะต้องเข้าใจในตรงนี้ให้ได้ นะเพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เราก็ยังยึดติดว่าตรงนี้เป็นกายเป็นใจของเราอยู่มันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นนะการที่เรายึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเหตุให้กิเลสต่างๆตามมานะอจะมีความกโกรธก็เพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหตุเพราะามีตัวเราอยู่อเวลาใครก็มาด่าเราก็ว่าเออเขาก็มาด่าเราเราก็โกรธเพราะมีตัวเราอยู่นะแต่ถ้าเราเกิดการปล่อยวางตรงนี้ได้เข้ามาด่าเรามันก็ไม่กระทบนะมันก็อ ไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นเรานะมันก็ไม่ได้ลาเราเราก็ไม่ไม่โกรธอะไรมันก็ที่อาจารย์ไปสารเทศนะบอกว่าอเอาหินปลาไปในอากาศไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้าหินปลาไปที่กระจกกระจกก็แตกกล็ลาวนะกระจกที่แตกแลาว์นั่นแหละก็คือตัวตนของเรานะมันก็เป็นกระจกอยู่แต่ใจเราไม่มีอะไรแล้วไม่ของเราแล้วมันก็เหมือนไปนปลาหินไปอากาศไม่มีอะไรไปรองรับมันก็ไม่ไม่ได้เกิดการแตกการลาวขึ้นมา เพราะฉะนั้นตรงเนี้จึงต้องรู้เท่าทันว่าจิตเราเนะ่ยยังมีความยึดมั่นถือมั่นในกายและใจก็เป็นของเราไหมถ้าเป็นของเราแล้วมันจะมีของเราตามาเป็นแถวเลยนะมีลูกเราภรรยาเราสามีเราทรัพย์สมบัติของเราชื่อเสียงเกีรยรติยศหน้าตาสรรเสริญหรือว่านินทามากมายนะเราจะหนีตรงนี้ไม่ออกนีไม่ออกเพราะอะไรเพราะใจมันไปไปรับทุกๆเรื่องนะ จิตมันเข้าไปรับทุกเรื่องกลายเป็นกระจกที่รับก้อนหินทุกๆก้อนที่ที่โยนเข้ามาแล้วมันก็จะแตกจะราวทุกๆครั้งไปนะเพราะว่าเรามีมีการละใจนี่แหละมันไม่ได้เกิดการรู้ทันว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะอ่ามันไม่ใช่ตัวตนของเราตั้งต้นแล้วนะไม่ต้องไปคอยละตัวละตนแต่ว่ามันไม่ใช่เราตั้งต้นเพราะนั้นการเปิดธรก็คือเป็นการถอดถอนความเข้าใจผิดในความเป็นตัวเป็นตนนี่เอง นะพอเมื่อถอ น, ถอ น, ถ, อนถอนตรงนี้ได้ปั๊บเนี่ยทุกอย่างกินเลสต่างๆก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่มาไม่ใช่เราแล้วนะกินเลสเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นเป็นเช่นนั้นของเขาเองนะถ้ากินเลสเป็นเราแล้วเช่นความโกรธเปเ็เราก็เราต้องโกรธไปนะตลอดนะหรือโกรธไปตลอดกาลนานนะแต่ความโกรธก็มาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะเขไม่ได้อยู่กับเรานานหรอกเข้ามาแล้วก็ไปนะทุกทุกอารมณ์เลยนะความรักความชัง ความเกลียดค ว, ความเอาความเครียดความกลัวมาแล้วก็ไปนะมาแล้วก็ไปทุนถ้าคนที่ ka, ตรงนี้ไม่มีกําลังจิตมันจะตั้งอยู่นานนะความโกรธความรักความชังจะตั้งอยู่นานแต่คนที่มีกําลังของจิตแล้วมาแล้วก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะเรารู้ว่ามันไม่ยังเราเราไม่ไปยึดติดนะเรารู้เท่าทัานในตรงนี้ปุ๊บเข้าผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยตรงนี้คือกําลังองจิตนะเพราะฉะนั้นกําลังจิตเนะี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเราจึงต้องรู้เท่าทัน ถ้าเรารู้เท่าทันบ่อยๆกำลังจิตของเราก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะอ่ามันจะโตขึ้นโดยความที่เป็นสติ <c oughs> สตก็คือเรารู้เท่าทันอารมณ์แล้วจะโตขึ้นด้วยปัญญาเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ตัวไม่ตนของเรานะตรงเนี้มันก็จะผ่านอย่างรวดเร็วนะคือมันต้องมีทั้งสติและปัญญาควบกันนะแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวเขาก็จะไม่ผ่านไปเร็วเพราะว่าเราก็แค่รู้เท่าทันแล้วเขาก็จะมาบ่อยๆแล้วก็รู้เท่าทันตรงนี้มันจะกลายเป็นเป็นว่ามันไม่ได้เกิดปัญญาที่แท้จริง นะแต่ถ้าปัญญาแท้จริงเราเห็นเออเข้ามาแล้วก็ไปเข้ามาแล้วก็ไปเพราะนั้นไก็เกิดปัญญายในตรงนี้ว่าเออตรงนี้มันจึงไม่ตัวเม่ตอของเรานะมันก็จะผ่านไปผ่านไปเมือนกับน้ำที่ไม่ติดนะบนใบบอล น, นะใบบอล น, นั้นนะมีคุณสมบัติที่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าเมื่อน้ำมาแล้วก็จะผ่านไปหมดนะเพราะจิตของคนที่ตรงนี้เข้าถึงสภาวธรรมนะที่ว่าความไม่ยึดติดในกายและใจแล้ว น้ำก็จะมาแล้วก็ผ่านไปเช่นนั้นเหมือนกันนะตรงนี้กิเลสก็จะไม่อาจที่จะเกาะใจเราได้นะเราจึงไม่ต้องไปละกิเลสนะแต่ว่ากิเลสเขามาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นเองนะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ง่ายแต่เราไปตั้งใจละกิเลสแล้วมันก็จะยากเพราะว่ามันเป็นละมันเป็นสิ่งที่ยากแค่เราไม่ฆ่ามันจะง่ายกว่านเยอะเลยนะมันก็จะผ่านเองรวดเร็วนะตรงเนี้เป็นขนทางแห่งพระนิพพานก็อยู่ตรงนี้เนาะ เพราะนั้นในท้ายสุดนี้ขอรัตนาบารมีคุณพระตาไตยน้อมนำทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพุทธได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอาน